ย้อนหลังไปเมื่อ 700 ปีก่อนพ่อขุน 18 โดยทรงรวบรวมหัว เมื่อปีพุทธศักราช 1824 แล้วก็เป็นอันว่าพระๆเข้ามารวมกันได้ทั้ง มาทรงช่วยกันเลือกชัยภูมิที่ทรงสร้างเมืองซึ่งในราบริมฝั่งแม่สุเทพเมื่อเสร็จแล้วก็ทรงขนานนามเมืองใหม่นี้ มีกษัตริย์ราชวงศ์เมงรายปกครองกัน 20 หลังจากนั้นอาณาจักร รวมเวลาที่อาณาจักร 262 ปีหลังจากนั้นอาณาจักรล้านนา สิ่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ทรงธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาก่อสร้างวัดวาอารามและศาสนสถานไว้มาก 8 ของโลก หรือที่เรียก 2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชเป็นเจ้าผู้ พระสิริมังคลาจารย์รูปนี้นับเป็นปฐมปราดของชาวภาคเหนือทั่วไปมีพระรูปหล่อเท่าขนาดองค์จริงของท่านประดิษฐานอยู่ณหน้าพุทธสถานเชียงใหม่ที่เชิงสะพานนวรัตน์นอกจากพระสิริมังคลาจารย์แล้ว และประวัติตำนานต่างเช่นพระโพธิรังสีผู้แต่งเรื่องจามเทวีวงบรรยายถึงพงศาวดารเกี่ยวกับพระนางจามเทวีราชธิดากษัตริย์แห่ง ซึ่งพรรณนาถึงสาเหตุที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ 8 ที่ 2020 นั่น อีกองค์นึงก็คือท่านเจ้า 2438 ปกครองขนาะ สมเด็จพระสังฆราชซึ่งประทับณกรุงเทพฯไม่ทรงสามารถจะดูแลปกครองคณะสงฆ์ทางล้านนาไทยได้ใกล้ชิดจึงมีพระสังฆราชแห่งล้านนาไทยขึ้นอีกองค์หนึ่งล้านนาไทยมีพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณหลาย 10 แต่ว่าจะ 42 ปีจากสามเณรสู่ภิกษุและสิ้นๆไม่ได้เป็นๆทั้งสิ้น นับร้อยนับพันรูปมาเป็นศานุศิษย์เป็น 60 วัดขอลาออกจากคณะสงฆ์มา คิดเป็นค่าของเงินปัจจุบันเป็นหมื่นๆล้านบาท จะเพราะทุกจังหวัดของหัวเมืองเหนือมีวันหนีพ้นนามของครู รูปบางศรีวิชัยในสายตาและความรู้สึกธรรมดาองค์หนึ่งเท่านั้นในชีวิตๆแจก หลังจากท่านมรณภาพแล้วชื่อเสียงและเกียรติคุณของ แห่งสถิงพระมีเกียรติคุณเรื่องลือ ดุดุดุมวลดอกไม้มีสนเน มนต์คนโศกทุกข์คือเรื่องพลเอ่ยช่างหอมวนเจ้ายวนให้ชวนชมมนต์ผู้เติมมาใจจะชมมิคงความหมาย ดังรักที่มีความซื่อตรง ขอนำท่านย้อนหลังจากวันเวลา ชาวบ้านปางอยู่กันอย่างชนิดที่ว่าตามยถากรรมหรือว่าตามมีตามเกิดไม่ เพราะว่าถิ่นที่ตั้งบ้านปางนั้นมีภู แสงสีแห่งความศิวิไลซ์นั้นยังเข้า หนุ่มน้อยผู้นี้มีชื่อเรียกในหมู่ชาวบ้าน แล้วก็ได้เสียผีแต่งงานกันตามประเพณี คนที่ 2 เป็นผู้หญิงชื่อนางอร ในยามว่างนายควายเหนือขึ้น 11 ค่ําปีขาลตรง เป็นปีที่ 10 ในรัชสมัยของพระ 5 คืนวันนั้น 15 ค่ำสว่างนวล นางอุสาก็เจ็บท้องร้องครวญครางอยู่ในถ้ำกลางพื้น และทันทีนั้นแผ่นดินก็ไหว ทุกคนที่มาเฝ้ารอดูอาการของนางอุสาต่าง ก็เวลาจะตกฟากนี้แม้แต่ฟ้าดินก็ยังรับรู้ดังนั้นญาติ 4 มีน้องชายอีก เด็กน้อยอันได้รับชื่อตั้งแต่แรกเกิดว่าอ้ายฟ้าแต่อ้ายฟ้าฮ้องก็เติบโต ฝาหองเกิดมาร่วมครอบครัวนั้นฐานะความเป็นอยู่ของนายควายก็เริ่มดีขึ้นจากเดิมการทำนาทำไร่ได้ ตรงข้อที่ว่าอ้ายฟ้าฮองนี่ไม่เหมือนลูกคนอื่นหรือว่าเด็กเจ้าบ้านทั่วก็คือฟ้าฮองเป็น เขาไม่เคยรังแกสัตว์เลยแม้แต่น้อย วันหนึ่งนายควายไปจับปลามาจากลำห้วยได้ปลาใหญ่มาตัวปลาตัวนั้นไปฆ่า ตัวเองเป็นคนนําปลาตัวนั้นไป 8 ปีเอาปลาไปปล่อยทําไมอ้าย ยิ่งเติบโตขึ้นอ้ายฟ้าหองก็ยิ่งทําเช่นน้ําพริกหนุ่มกิน นายควายซึ่งเป็นพ่อของอ้ายฟ้าฮองได้รับคำขอร้องจากลูกชายคนนี้ว่าขอให้เลิกเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าหาของป่ามาขายอีกเลยเค้ามีเหตุผลที่เหนือกว่าความคิดของเด็กๆว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมรักชีวิตของตัวเองการล่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจึงเป็นการทำบาปเป็นอย่างยิ่งนายควายจึงต้องเลิกเข้าป่าตั้งแต่นั้นหันมาทำไร่ทำนาหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งคราวนี้อ้ายฟ้าหองก็เต็มใจช่วย สถานที่ไอ้ฟ้าห้องชอบ cardiovascular อยู่เซม어를 formalize within seeing ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านซึ่งมี bon pods at ตั้งอยู่เชิงเขาชายนาของ big ลues combination เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้าน ปกติชาวเมืองเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน วันแล้ววันเล่าที่อ้ายฟ้าฮองไปที่วัดบ้านปางยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งจับใจใน ก็ได้บวดเป็นสำเนณอยู่ระยะนึงที่วัดบ้านป่างนี้เองไอ้ฟ้าห้องได้เห็นพี่ชายห่มครองภาลืองมีดวงหน้าอิ่มเอิมไปไหนมาไหน ก็มีแต่คนเขารبนปว่าย ก็ทำให้เกิดแรงบรรดานใจแต่การเวลาก็ยังคงผ่านไป พร้องMON står ไอ้ฟ้าห้องก็เติบโตเป็นนุํวัยรุ่ ญาติใกล้เคียงหมู่บ้านก็ชักชวนกันไปๆทั้งหลายก็มักจะไป ในชีวิตของเขานั้นโอกาสที่จะทํางาน 2439 อ้าย 18 ความเปลี่ยนแปลงก็ นายควายและนางอุษาเลยเพราะทั้งสอง อ้ายฟ้าหองได้พูดถึงสิ่งที่ 18 ปีที่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ ทำไมไม่ไปเกิดอยู่ในเมืองมีเงินมีทองร่ํารวยเขาคิด เมื่อเกิดมาใหม่จะได้ไม่ต้องลำบากอย่างชาตินี้พ่อแม่คนให้ลูกชายไปบวชสมปรารถนา สามารถบวชเรียนได้ตั้งแต่เด็กอายุ 8 9 ขวบขึ้นไปเด็กชาย นายกวยได้นําอ้ายฟ้าฮองลูกชายสุดที่รักไปหาครูบาคัตติยะที่วัดบ้าน ไอ้ฟ้าฮองหรือว่าอินตาเฟือนใหม่อันบริสุทธิ์ของพุทธจักรตลอดชีวิตไม่ ฉะนั้นอ้ายฝาฮองจึงก้าวเข้าสู่พุทธจักร สมณเณรฟาฮองจึงเริ่มเรียนหนังสือด้วยอักขระ ตั้งอกตั้งใจถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้ไม่มีอะไรปิดบังครูบาคัตติยะแห่งวัดบ้านปางจึงเป็นอาจารย์องค์แรกของครูบาสีวิชัยเพียงปีเศษเท่านั้นเองสามเณรฟาฮองก็สามารถอ่านเขียนภาษาไทยพื้นเมืองเรียนรู้อักขระ เมื่อท่านเห็นว่าสามเณรฟ้าฮองสนใจก็เริ่ม ท่านก็ไปหาอยู่พ่อ 2442 สามเณรฟ้าหองก็ได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดแล้วสามเณรฟ้าหอง ก็ได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุแต่ว่าชาวบ้านปางเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าพระศรีวิชัยครูบาคติยะอาจารย์องค์แรกของพระศรีวิชัยนั้นท่านมีจิตเมตตาปราณีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากที่ท่านครูบา พระมีความสามารถรักสันโดษและประพฤติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าพระภิกษุรูปไหนที่ท่านเคยพบมาก่อนถ้าหากว่าพระศรีวิชัยจะได้ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นแล้ว อำเภอแม่ท่าจังหวัดลําพูนมีชื่อเสียงเลื่องลือ เมื่อพระพร้อมกับขอลาไปศึกษาได้รับทราบ 2442 เป็น เพราะไม่ปรากฏในหนังสือประวัติเล่มลีจังหวัดลําพูน ที่วัดดอยแต้พระศรีวิชัยก็ ที่อาวิจาการต่างๆอย่างเอาใจใส่แล้วก็ แต่พระศรีวิชัยก็สามารถมี การกลับมาสู่วัดบ้านปางซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านเกียติคุณของท่านเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมี้ยงนั้นปกติเป็นที่นิยมของคนเมืองชาวเหนือ ก็พากันมาทำบุญที่วัดบ้านปางเพิ่มขึ้นเรื่อย วัดบั้นป่างจึงขาดเจ้าวัดที่จะปกครองดูแลพระภิกษุ ส์เหมüne的 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าวัดบ้านปางปกครองวัดนี้สืบต่อไปในภาณะที่พระสิวิชัยมีความระพลิดอันดีงามจึงได้รับการี้พยาย่องใน depictedวัดดบั้นป่าง ปกครองวัด.ดู非常的ต่อไป นับตั้งแต่พระสิวิชัยกลับคืนมาบ้านป่าง ในละแวกท้องถิ่นนั้นเป็นครั้งแรกบ้านปางนับข่า ขมุอีกก็แมวตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่โดย ในพุทธประวัติก็คือสมัยพุทธการพระศรีวิชัยได้ล่ํา พระพุทธศาสนาจึงได้อุบัติขึ้นในการครั้งนั้นชั่วเวลาเพียง 45 ปีที่พระ ผ่านไปถึงหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาแห่งไหนก็ปักโลดอยู่แห่งหนึ่งหลายวันอบรมสั่งสอนชาวบ้านชาวเขาให้มานับถือพระพุทธศาสนาอัน ที่มีต่อพระศรีวิชัยภิกษุพระภิกษุร่างเช่นสมุนไพรยารักษาโรค ซึ่งแน่ละก็ย่อมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า พระสีวิชัยมักจะออกทุรดงเรื่อยไปตามเวลาและโอกาสที่มี เป็นที่นับถือของชาวป่าพร้อมๆกับๆชื่อเสียงเกียรติคุณของพระศรีวิชัยเริ่มโด่ง ชาวก็เริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนาจํานวนไม่น้อยในหลายเผ่าก็เริ่มๆก็นิยมนําลูกหลานๆนํา จนกระทั่งเมื่อครูบาขติยะมรณภาพแล้วเกียรติคุณของพระเรื่อยๆว่าครูบาศรีวิชัย บางคนบางกลุ่มก็ลือขนักขึ้นไปอีกว่าพระอินทร์ได้เหาะลง ประพฤติปฏิบัติชอบเท่านั้นแต่การจะห้ามไม่ ข้าเจ้าได้ค้านว่าพระศรีวิชัยมิใช่ผู้วิเศษอย่างที่ เพื่อจะฟังคําเทศคําสอนๆรวมทั้งจํานวนๆประกอบกับสถานที่ตั้งของวัดบ้านปางนั้นอยู่บนที่รากเชิงเขาใกล้ชิดติดกับบ้านปางจึงหาความสงบวิเวกไม่ค่อย นั่นคือบริเวณยอดเขาทางด้านที่ตะวันออกเชียงใต้ ดังนั้นเมื่อครูบาสีวิชัยเกิด แล้วท่านกับเพื่อนพระภิกษุรูปนั้นก็จํา จนกระทั่งแลเห็นเป็นดวงใหญ่มหึมาที่สาดแสงแรงกล้าแทบจะเอื้อมไป ท่านจะสามารถสร้างวัดบนยอดเขาแห่งนี้ได้สําเร็จ ศรัทธาทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่ที่วัดบ้าน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความศรัทธาของชาวป่าชาวเขาและคน ชาวเขาหลายเผ่าลงไปเก็บก้อนหินตามลําธารใหญ่เชิงเขาเอาวิหารสร้างโบสถ์ช่วยกันปรับพื้นที่บนยอดเขาให้ราบเรียบ ตรงกับปีพุทธศักราช 2447 ครูบาสิวิชัยขนานนามวัด 26 ปีบวชได้ 8 กาลเวลาผ่านไปมากแค่นั้นๆครูบาสีวิชัยก็ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยกับครูบาสีวิชัยในบรรดาทุกปีที่ผ่านมานับแต่ท่านสร้างวัด ถูกกล่าวหาจากเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ในข้อหาที่ว่าครูบาตั้งตัวเป็นอุปัชฌาย์ทินทำพิธีบวชโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า ระยะนั้นเป็นปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 2450 มีพระครูมหารัตนากรเป็น วันเวลาแห่งระยะเข้าพรรษาตอนนั้นใกล้ แต่การจะผลักไสผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีเจตนาอันแรง ท่านคงจะนึกถึงสมัยที่พระแม่อนุญาตเท่านั้นซึ่ง ภูบ่าก็ทําพิธีบวชให้แก่ศาสนูศิษย์ทั้ง ไปเข้าหูเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้และทางฝ่ายบ้านเมืองเป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อมีคนรักก็ย่อมจะต้องมีคนเกลียดนานาหาว่าท่านตั้งตนเป็น เมื่อครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวหาว่าเป็นอุปชาทินและส่องสมผู้คนเพื่อก่อความไม่สงบเจ้าคณะแขวงอำเภอ ท่านสั่งทุกคนให้อยู่ในความสงบปดใจรออยู่ที่วัดนี่แหละท่านเมืองและชาวป่าชาว กระทั่งวัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ และเจ้าเมืองลําพูนสอบสวนต่อไปพระครูศรีวิวาสะคือผู้ ทั้งๆที่ท่านไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนความผิดอื่นๆตามข้อกล่าวหาที่ ครูบาสิวิชัยว่าอย่ากระทำ แต่ว่าเรื่องของปากคนเป็นเรื่องที่ห้ามกันยะว่าเรื่องของปากคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามกันอย่า ไม่ได้โอ้อวดว่าเป็นผู้วิิเศษแต่ประกันใดใครไปมาหาสู่ก็สั่งสอนเทศสนาให้ลิ้มรถให้เป็นคนดีละเว้นความชั่วประกอบแต่กรรมดีอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแท้ครุบาสีวิจัยเป็นพระที่มีลักษณะเป็นผู้นําสามารถผูกจิตใจคนหมู่มากให้เชื่อถือได้ซึ่งจะหากเครียกกันในสมัยปัจจุบันแล้วนี่เหมือนกันนักปลุกกระดมวลชนคนสําคัญดีเดียว แต่ว่าการปลูกระดมมวลชนของท่านน่ะไม่ได้มาหาท่านจนถึงวัดบ้านปางอีกจนได้ใน ยังไม่เป็นที่รู้จัก ครูบาศรีวิชัยก็ได้รับหนังสือให้เข้า แต่สาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ครูบาศรีวิชัยจึงถูกนำไปสอบสวนที่เมือง เพราะว่าลืมวันนัดหมายส่วนข้อที่ว่าท่านได้ชักชวนเจ้า การที่ครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวโทษแล้ว ท่านเห็นว่าการบวชเป็น อาจจะด้วยเหตุนี้เองที่ครู คราวนี้ถูกนําไปสอบปีคณะกรรมการสงฆ์ได้พิจารณา แล้วก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าคณะแขวง แจ้งไปให้เจ้าคณะแขวงๆใน แม้แต่วัดบ้านปางเองก็เถอะท่าน 2453 ประชา พลันแล้วพระ 2454 ในการนี้วัด เจ้าขณะแข็งลโดยทั่วกันรวมทั้งวัดบ้านปางด้วย หาiconing bl otros Δี รวมทั้งวัตรบบันป่าง片ภูบาศฟิ จนล้นหลามออกมาภายนอกล้นหลามออกมาภายนอกแล้วสวดพระมงคลคาถาเป็นการถวายพระ ครูบาศรีวิชัยกระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดินไม่ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ครูบาสิวิชัยถูกเรียกตัวถูกสอบสวนแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรท่านได้คราวเรื่องนี้จึงระบือไปไกลไป ป้องกันไม่ให้ผู้ใดที่คิดร้ายล่วงล้ำเข้ามาในสำนักของครูบา ว่าจะทำประการใดดีถึงจะสามารถทำให้ครูบาศรีวิชัยเสื่อมศรัทธาไปจากประชาชนได้เพราะถ้าหากว่าจะเรียกครูบาศรีวิชัยเข้าไปสอบสวนเมืองลำพูนแล้วหากผลออกมาเช่นเดิมครูบาศรีวิชัยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นไปอีกเจ้าคณะแขวงลีกับนายอำเภอลีก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะนำเรื่องทั้งหมดไปกราบเรียน หรือที่จะให้ไล่ครูบาศรีวิชัยออกไปให้พ้นเขตจังหวัดลําพูนเสียเรื่องราวที่ไม่สงบเรียบร้อยต่างๆก็คงจะหมดสิ้นไปข้อกล่าวหา พร้อมกับเกี้ยกล่อมส่องสมผู้คนทั้งคฤหัสถ์และนักบวช 2462 เมื่อพระครูยานนมงคลเจ้าคณะเมืองลำพูนได้รับฟ้องท่านรายงานให้ข้าหลวงและเจ้าผู้ครองนครซึ่งยังมีอยู่ในสมัยนั้นคือเจ้าจักรคําขจรศักดิ์ทรงทราบในที่สุดการปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดระหว่างเจ้าจักรคําขจรศักดิ์ข้าหลวงเมืองลำพูนกับเจ้าคณะจังหวัดก็มีความเห็นพ้องต้องการ เรื่องร้ายแรงต่างๆ2462 นั้นที่วัดบ้านปาง ผู้บัญชีวิชัยได้เปิดอ่านถ้ํา 12 มกราคม 2462 จากเจ้า และเจ้าคณะแล้วก่อการอื่นๆหลายประการดีท่านไม่ควรจะอยู่วัดนี้ต่อไปขัดถืองต่อวันที่ 15 พระครูญาณมงคลประทับตราเจ้าคณะจังหวัดลําพูนมาเป็นสําคัญ ก็ยังมีหนังสืออีกฉบับนึงถึงเจ้า 12 มกราคม 2462 พระครูยานมงคลเจ้าอุปชาซึ่งอยู่ มีความผิดถูกไล่ออกจากจังหวัดลําพูนถ้าพระ ท่านประกาศทันทีว่าท่านไม่ยอมออก แรกทีเดียวสานุศิทธิ์ของครูบาณศรีวิชัยซึ่งมีๆต่างแสดงความโกรธแค้นอย่าง บัดนี้ท่านเจ้าคณะแขวงแห่งอำเภอลีก็ได้ ถึงได้มาที่วัดบ้านปางเพื่อจะมาบวชมาเรียนมาหาความรู้ คือพระครูยานมงคลทราบโดยทันทีพร้อมกันนี้นายอำเภอลี้ก็ได้รายงานให้ข้าหลวงเมือง วัดบ้านปางเดินทางเข้าเมืองลําพูนเพื่อสอบสวนพิจารณา นายอรัญญวาทแห่งท่านคันธะสงฆ์สามเณรพร้อมกันแล้วท่านก็เทศนาให้พระภิกษุสามเณร เมืองก็ไม่แจ้งแล้วจักร้ายดีประการใดก็ไม่ส่วน จะก็แล้วแต่ตัวไปหลบหลีกแฝงอยู่แห่งหน ท่านทั้งหลายจะถือมั่นอย่างเราไม่กลับกลายไปเป็นอย่าง 100 รูป อนุสิทธิ์จํานวนมากที่มาประชุมพร้อมกัน เมื่อถึงเวลากลางคืนใกล้รุ่งท่านนิมิตฝันว่ายังมีปราสาทหลังใหญ่ แต่ว่าท่านก็เข้าไปยกปราสาทหลังนั้นให้ แสดงนิมิตก็พากันชื่นชมยินดีแล้วก็ทํานายฝันว่าท่านคงมีบุญๆแล้ว ท่านจึงได้อุทิศตัวเองสร้างงานสาธารณประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามเก่าแก่ต่างๆ โดยมีภิกษุสามเณรและสาธุชิด 30-40 ตัวบินที่ กาฝูงนี้มาเกาะอยู่แล้วร้องส่ง การต่อสู้ระหว่างนกอินทรีกับฝูงกาดําเนินไปสักครู่อยู่เหนือ คราวนี้ผู้คนยิ่งตกตื่นมาดูกันมากขึ้นพร้อมกับส่ง นี่คือเหตุมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นณ1 วันก่อนหน้าที่ครูบาศรีวิชัยกับภิกษุสามเณรและศานุศิษย์ทั้งหลายจะเดินทางเข้าสู่กับครูบาศรีวิชัยอย่างแน่นอนเมื่อตอนท่าน บัดนี้เมื่อท่านจะเดินทางจากวัดบ้าน แต่ในที่สุด 2462 เช้าวัน 300 รูปสามเณรอีกประมาณ 400 รูปและสานุสิทธิ์ ที่เป็น 1,000 คนซึ่งในเช่นยางขมุแม้วลีซออีกอจํานวนไม่น้อยที่พร้อมจะ 3 อีกนาง เพื่อหาท่านพระครูบาเจ้าเมื่อเห็นหน้าช่วยกันทํามาหากินตามประสา ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้หัวอกของแม่ก็ถูกสุมด้วยกองไฟแห่งความทุกข์ความห่วงหาอาลัยตลอดเวลาแล้วตัว แล้วกล่าวว่าโยมแม่อย่าพึงน้อยใจเพราะเรื่องทํานองนี้มันเป็นธรรมดาของโลกเพราะเหตุนี้ ได้ถูกโทษกรรมแค่นี้ก็เพียงความทุกข์แม่ลูกได้รับความ จึงได้รับความทุกขเวทนาเป็นคนอนาถายากไร้การที่จะให้เราลาสิกขา ยอมตายในพุทธจักรเทิดทูนบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยที่ ขอโยมมารดาจงตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนา บ้างก็หามหามเครื่องทยทานประดับประดาด้วยดอกไม้อันสวยงามมีทั้งศาสตมอญมีดทาภาชนะเครื่องใช้ไม้ ก็จะตกแต่งเครื่องทยยทานน้อม 4 วัน 4 คืนครูบาศรีวิชัยเริ่มต้นออกจากวัดบ้านปาง เมื่อเริ่มต้นเดินทางภิกษุสามเณรรวม 800 รูปเดินตามหลังครูบาศรีวิชัยซึ่งเพราะ แต่ละที่ที่ครูบาศรีวิชัยผ่านไปนั้นล้วนแต่มีคนมาเคารพศรัทธาท่านทั้งสิ้นขบวนนักบุญของครูบาศรีวิชัยสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่แผ่นดินลำพูนยิ่งนักราตรีแรกของการเดินทางต้องพักที่ดอยทาด 3 ยอดคืนที่ 2 พักที่วัดบ้านห้วงหลวงคืนที่ 3 พักแรมที่วัดป่าตาลคืนที่ 4 พักที่วัดต้นโชคและคืนที่ พักแรมที่วัดต้นทงซึ่งแต่ละวัด 3,000 คนเพราะ เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครูบาดนตรีซอไป จัดเป็นขบวนครัวทานเตรียมแห่ครูบาศรีวิชัยเข้าเมืองลำพูนในวันรุ่งขึ้นข่าวนี้สร้างความหวั่นไหวให้แก่เจ้าคณะจังหวัดและทางราชการบ้านเมืองไม่ใช่น้อยเพราะ จึ่งเตรียมกําลังรับเหตุการณ์อย่างพร้อม 6 หลังจากเกือบ 3,000 คนก็เข้า ภูชนียสถานคู่เมืองลำพูนครั้งเมื่อขบวนของพระ พบมีดพราที่นำติดตัวมาๆของสามเณรที่มีไว้ด้วยเหตุการณ์นี้ ให้พระทุกรูปพระทุกรูปเนนทุกองค์ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบแล้วตำรวจตัวห้ามทุก ต่างกับอาศัยพื้นที่ว่างรอบกำแพงวัดพระเป็นที่จังหวัดและพรรคแรมอันเป็นภาพที่น่าสังเวชและหดหู่ใจยิ่งนักข่าวเรื่องนี้แพร่หลายไปทั่วเมืองลําพูนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักทุกคนพูดกันว่าเจ้าพลัดจังหวัดและว่าครูบาสีวิชัยมี ก็มีผู้มุ่งหน้ามาสู่วัดพระธาตุกันมากขึ้นเท่านั้นชาว ที่เดินสามารถแบ่งปันให้คนอื่นมากับครูบาศรีวิชัยมี พยายามจะเข้าไปให้ได้ก็ยืนประจันหน้ากันอยู่ที่ประตูวัดนั่นเอง วันนั้นเค้าก็มุ่งหน้ามาที่วัดพระธาตุนําๆ เขาเดินทางนำหน้าคลื่นชาวเมืองเข้าสู่ประตูวัดพระธาตุทาริบุญชัยที่มีตำรวจปิดกั้นอยู่พร้อมกับ ข้าหลวงประจําจังหวัดและเจ้าผู้ครองนครมีความเห็นพ้องกันว่าถ้าหากกีฬกักตัว ครูบาคือศูนย์รวมจิตใจชาวลําพูนในครั้งนั้น สหบดีชาวเมืองลําพูนจึงเป็นผู้นําคลื่นประชาชนที่เคารพศรัทธาฝ่าวงล้อมของตํารวจเข้าไปพบครูบาได้ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวเมือง นั่งขนาดไปหมดยิ่งกว่ามีงานปล่อยประจํา ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากชาวเมืองมากมายถึงเพียงนี้พลังแห่ง สมัยนั้นการคมนาคมติดต่อระหว่างลําพูนและเชียงใหม่สะดวกขึ้นป่ายางหนองหอยเข้าสู่เชียงใหม่คือถนน ในหนังสือนั้นระบุว่าขอให้ทางเจ้า 1 คืนพล จึงให้คณะกรรมการนำรถยนต์มารับ 10 กุมภาพันธ์ปี 2462 สมัยนั้นรถยนต์ ในบรรดาเศรษฐีที่มีรถยนต์ใช้เป็นสมัย 26 กิโลเมตรได้ใน 2-3 เมื่อทางบ้านเมืองมีความจำเป็นที่จะต้องนำครูบาไปสู่เชียงใหม่โดยด่วนก็ขอรถยนต์คันนั้นของเจ๊กหงอไปรับครูบาที่ลำพูนเจ๊กหงอก็ยินดีให้เช่าในราคา 16 บาทสมัยนั้นในนครเชียงใหม่นิยมใช้เงินรูปีที่แพร่หลายมา เงินรูปีอินเดียจึงแพร่มาสู่เชียงใหม่เง 80 สตางค์ฉะนั้นเจตโงจึงให้เช่ารถบาทซึ่งนับว่า เจ๊กโง่เฒ่าแก่ห้างเตียวเม้งไถ่ผู้นี้ ที่ได้เห็นมอเตอร์คาร์มาถึงวัดพระ ไม่เพราะไม่รู้ว่าท่านจะเป็นอย่างไรให้นําครูบาศรีวิชัยไปเชียงใหม่เพราะ ภิกษุสามเณรและภิกษุสานุศิษย์ทุกคนก็ ภิกษุสามเณรและศานุศิษย์ก็ไม่ยอมในที่สุดก็ แล้วนาทีสําคัญก็มาถึงเมื่อครูบาสีวิชัยกล่าว หรือแม้กระทั่งภิกษุหรือสามเณรรูปใดจะศึกหา มีทั้งเสียงอวยชัยให้พรเสียงแห่งความอาลัยรักแม้กระทั่งเสียงร้องไห้เพราะไม่รู้ชะตากรรมของพ่อครูบา 10 กุมภาพันธ์ 2462 เป็น เหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างยังไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ได้บ่ายวันเดียวกันนั่นเองครูบา ที่ครูบาศรีวิชัยนั่งมาทั้งนครเชียงใหม่ต่างก็ตื่นเต้นกับการมาถึงของนักบุญผู้ อันเป็นที่สถิตของเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเมืองเชียงใหม่ซึ่งเชื่อแน่ว่าท่านคงจะรู้ ถูกกักขังคุมตัวอยู่ที่ศาลาบาทวัดสีดอนชัยซึ่งเป็นที่แคบแคบสกปรกและอับชื้นแต่เพียงลําทางรูปเดียว แม้แต่เสือท่านผู้ฟังลองคิดดูก็แล้วกันคนโทน้ำพื้นของศาลาร่วม ก็ร่วมกันประชุมภิกษุสามเณรและสานุศิษย์ของครูบา นับเป็นข่าวข่าวที่สร้างความระส่ำระสายให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุสามเณรที่เคารพ ฟที่ยินดีโลงนามนั้นอ้างว่าไม่ใช่เป็นการเลือกครรบเชื่อมั่นในครูบาแต่อย่างไดแต่ที่ยอมก็เพื่อที่จะรักษาสมณเพศต่อไปเพราะไม่อย่างนั้นเข้าจะให้สึกสามารถที่จะกลับไปสูุวััดบ้านปางปฏิบัติรรมสืบต่อไปเหมือนเช่นที่กูบาอบรมสั่งสอนไว้จะได้ประโยชน์กว่าดืดึงต่อคําสั่งอันเปรียบเสมือนไปขวาเหลือเมื่อน้ําเชี่ยวร่างแต่จะเกิดภัยเสื้อปราะปล่าหาประโยชน์ไม่ได้ ส่วนภิกษุสามเณรฝ่ายที่ไม่ยินยอมก็อ้าง เพราะยึดมั่นในครูบาศรีวิชัยเพียงองค์เดียวภิกษุสามเณรฝ่ายหลังนี้ต่าง เหล่าถิงครูบาศรีวิชัยซึ่งถูกคุมตัวอยู่ที่เชียงใหม่คณะกรรมการเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่ 2 อะไรสักอย่างจนกระทั่งชาวบ้านข้างว่าท่านพระศรีวิชัย บ่ได้หยุดหย่อนทั้งยังทานศีลบารมีในการนั้น ก็กลับมีใจสัทธาหลังน้อมกลับมีใจศรัทธาหลังน้อมยินดี ซึ่งแน่ละแน่ละท่านยิ่งถูกกักขังใจอบอ้อมอารีใสบุญสุนทานยิ่งนักเมื่อได้ทราบข่าวว่าครูบาศรีวิชัยถูกกักขังคุมตัวอยู่ที่วัดปากรวยด้วยความลําบากทรมาน ก็เริ่มหลังหลายมาสู่ครูบาศรีวิชัยจนกระทั่ง ที่ทนดูครูบาศรีวิชัยได้ จนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยต้องไปขอกำลังจากเจ้าหน้าคลื่นประชาชนคลื่นประชาชนผู้กับขู่จะจดชื่อทุกที่มาหาเพื่อนําไปฟ้องกล่าวโทษกับเจ้าคณะจังหวัดและอุปราหมณ์ทนพยัคหลวงอนุสาร ทำบุญทำทานอยู่เป็นนิดไม่ได้ขาดนับตั้งแต่มาประกอบอาชีพในเมืองเชียงใหม่นานหลาย อ่าที่ควบคุมตัวพระครูบามากนะๆนานาทั้งดีทั้งร้าย ครูบาสีวิชัยเป็นภิกษุที่เคร่งครัดทน หลวงอนุสารสุนทรถือว่าการทําบุญ แล้ว 2 สหายก็เห็นพ้องกันว่าทั้ง 2 คนนี้ 2 คนแรกที่ได้ช่วยออกหน้าออกตาแรกทีๆที่จําเป็น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร จากวาระ 10 20 คนจํานวนผู้คนที่ 200 คนวัดดอนชัยหรือวัดป่า ชาวป่าชาวเขาที่รู้ข่าวยางขมุหรือว่าอีก้อก็ตามพระ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วความผิดก็จะตกอยู่กับท่านเมื่อท่านไม่ แม้ว่าจะขู่ว่าใครมาหาครูบาจะถูกจดชื่อทั้งหมดเพื่อหาทางลงโทษก็ไม่มีใครกลัวคง ใครขอให้ท่านเทศนาแสดงธรรมท่านครูบาถูกกักตัวอยู่ที่วัดศรีดอนชัยจน ว่าครูในที่สุดศรีวิชัยถูกกลั่นแกล้งทั้งที่ท่าน ก็มีแต่ทางเสื่อมแก่เจ้าคณะเมืองเจ้าคณะมณฑลแน่นอน เมื่อจะส่งครูบาไปรับมีรวมด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อซึ่งล้วนแต่ ความผิด 8 ข้อที่คณะสงฆ์ๆก็มีข้อหนึ่งครูบานศรีวิชัยตั้งตัว ซึ่งเป็นท้องที่ที่วัดบ้านปางตั้ง เมื่อครั้งมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จข้อเจเจ 5 เจ้าคณะ ชักชวนวัดต่างๆให้ขัดขืนต่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ข้อ 6 เมื่อเจ้าหน้าในวัด มีแต่วัดบ้านปางของครูบาสีวิฉัยเท่านั้นที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อ 7 เจ้าคณะแวงลีองคใหม่นัดประชุมเจ้าอธิการวัดต่างๆในเกตอําเภอลีมีเจ้าอธิการหลายวัดไม่ยอมมาประชุมโดยอ้างว่าเอาตามอย่างครูบาสีวิฉัยข้อเจ 8 ครูบาสีวิฉัยอ้างต้นว่าเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดามากเกิดมีดาบท้องคํา เดินเดินสูงกว่าพื้นดินได้หนึ่งสอกกลางฝนไม่เปียกเดินสูงกว่าพื้นดิน ท่านก็เคยได้รับการปีก่อนจะเกิดอธิกรณ์ในคราวนี้ 6 8 นั้นครูบา ดังนั้นการตั้งข้ออติกรณ์ที่จะส่งครูบาศรีวิชัยมารับการไต่สวนความผิดจากสมเด็จพระสังฆราชกรุงเทพฯจึงล้วนแต่นำเอาเรื่องเก่าขึ้นมาตั้งข้อกล่าวหาใหม่ทั้งหมดวันที่ 18 พฤษภาคมปี 2463 คือวันที่ครูบาศรีวิชัยถูกส่งตัวไปรับการไต่สวนความผิดที่กรุงเทพฯทางฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียม ในระหว่างการเดินทางไกลครั้งนี้ทั้งนี้ ดังไปขึ้นรถครูบาสีวิชัยก็ต้องเดินทางจากเชียงใหม่ รถยนต์ยังแล่นข้ามไม่ได้ครูบาท่านมี ที่นั่นเจ๊กโงก็นํารถยนต์คู่ชีพของแก่มารออยู่ ศานุศิษย์จํานวนไม่น้อยของครูบาที่เมือง คนในขบวนรถไฟที่ขึ้น แต่ท่านก็มีอาการปกติธรรมดาท่านก็มีอาการปกติธรรมดาสมัยนั้นการพฤษภาคม 2463 คืนวันที่ ไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงเทพฯแต่เสด็จไปจังหวัดอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีทางศาสนาแต่พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาสั่งให้รถยนต์มารับครูบาศรีวิชัยที่สถานีรถไฟนำไปพักที่วัดเบญจมบพิตรเพื่อรอเวลาให้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อกล่าวหาต่อไปในระหว่างที่ครูบาศรีวิชัยพำนักอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร ส่วนมากมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต ต้นเดือนมิถุนายนสมเด็จพระสังฆราชทรงมีประกาศแต่งตั้งพระ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะจังหวัด ยังได้เสนอข่าวเดินบนผิวน้ํา ได้ส่งผู้สื่อข่าวออกสืบหาปี 2463 แล้วต่อมา 10 มิถุนายน 2463 เพื่อให้การเล่าเรื่องของครูบาศรีวิชัยนัก เป็นเจ้าอธิการอยู่ถ้าวันพระแล้วไม่ฉันอะไรเลยวัด เป็นต้นว่ามีผู้นําเงินทองเครื่อง 5 ปีที่ผ่านมา แล้วพระองค์นี้ก็จัดเตรียมการไว้เสร็จแล้วพอจวนจะเข้าบรรษาถึงเวลาจะบวชได้ ทีนี้เจ้าคณะสงฆ์และกรมการอำเภอ ได้บอกกับพระศรีวิชัยพระศรีวิชัยตอบว่าอาตมากรมการอําเภอก็สํารวจไม่ได้ก็รายงาน นำเอาบรรดาพระเนนที่อยู่ในวัดบ้านปางไปที่เจ้าคณะหมวดให้ ทีนี้เจ้าพนาสงลำพูนได้มีคําสั่งไม่ให้พระศรีวิชัยอยู่ในจังหวัดลําพูนต่อไปแล้วเจ้าผู้ เพื่อจะได้ทําบุญพร้อมกับพระศรีวิชัยประมาณ 600 คนครั้นไปถึงจังหวัดลําพูน กับร่วมกับพระมหานายกขึ้นไปสอบไล่พระธรรมวินัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกเอาตัวพระศรีวิชัย เอาตัวไปกักขังไว้ที่วัดศรีดอนชัยแล้วก็จัด เมืองปายเมืองพราว 16 พฤษภาคมในพลโทหม่อมเจ้า เชื่อว่าทางราชการคงมีความไว้เพื่อแนะนําสั่งสอนให้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ช่ำชอง ตัวอย่างเช่นชาวต่างประเทศอย่างเช่นชาวต่างประเทศเขายังต้องการหาคนดีที่มีผู้นิยมนับถือมาตั้งเป็นหัวหน้าไปเที่ยวสอนให้ราษฎรรู้จักบาปบุญคุณโทษและกลับเป็นพลเมืองดีต่อไปอีกประการหนึ่งเมื่อกรมการอำเภอจะตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเรียก กรมการอำเภอก็จะจัดตั้งผู้นั้นเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตามความเห็นของ คือปล้นค่าฟันกันปล้นฆ่าฟันกันอย่างเช่นที่เป็นมา เกรงว่าตัวเองจะขาดลาภยศไปขอ หวังใจว่าท่านบรรณาธิการคงจะช่วยตะโกนผู้ที่ปรากฏใน 10 มิถุนายนปี 2463 ครับข่าวที่ปรากฏในหนังสือ ว่าครูบาสีวิชัยพระภิกษุจากเมืองไกลแล้วเมื่อมีข่าว จึงทรงมีหนังสือถึงพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวร 7 เดือนนี้กล่าว จังหวัดลําพูนชื่อพระ 40 ปีผู้คนนับถือมากพระศรีวิชัยนั้นขออนุญาตบวชกุลบุตรต่อกํานันและอําเภอเขาว่า เอาตัวพระศรีวิชัยไปกักไว้ที่ 1 เอปีแล้วปล่อยกลับไปบ้านปางแต่ถอดเสียจากตําแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากนั้นส่วน เจ้านครลําพูนนิมนต์ไปทําบุญเธอมีคนติดตามไปมากเจ้าพลนะจังหวัดหาว่าเธอเป็นกบฏจึงเอาตัวไปไว้ที่วัดหลวงอีกคราวนี้อุปราชมาพบพาตัวเข้าไปไว้ที่วัดศรีดอนชัยเมืองเชียงใหม่พระมหานายกออกไปสอบธรรม ควรให้อยู่ศึกษาที่เชียงใหม่ให้อยู่ศึกษาที่เชียงใหม่ให้ทําทันบนว่า<ได> สมควรที่รัฐบาลจะอุดหนุนส่งไปสั่งสอนว่านี่เป็นคำของ แต่เปรียบเรื่องอื่นที่พบมาจะแจ้งเหมือนข่าวใน พระศรีวิชัยไม่ใช่ถูกจับตัวทุกคราวไม่ได้ต่อสู้ในคราวที่ไม่มา ดูไม่ยุติธรรมเลยเรื่องนี้เป็นที่อื้อฉาวแล้วเธอจงสอบถามหม่อมยัง หาพระศรีวิชัยไม่ได้ทําความผิดอย่างนั้น <c oughs> เนื่องจากไม่รับอันนี้ก็ถูกเช่นนั้นสํารวจพระวัดบ้านปางถ้า แล้วปล่อยตัวกลับไปปล่อยตัวกลับไปถ้าจะเอา แล้วการไต่สวนข้ออติกรณ์ที่ครูบาสีวิชัยถูกกล่าวหาก็เริ่มต้นขึ้นได้สอบสวนครูบาสีวิชัยที่ การสอบสวนข้ออติกรณ์ของครูบาสิวิชัย 2463 นั่นเองพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจินาวร ตลอดจนถึงพลโทหม่อมเจ้า คือครูบาสีวิชัยถูกคณะกรรมการที่สมเด็จสวนอยู่ทุกซอกทุกมุมเรื่องไหนที่ท่านผิดก็ยอมรับว่าผิดที่ไม่ผิดท่านก็ยืนยันว่าท่านทําถูกแล้วจนการไต่สวนข้ออติกรณ์ต่างๆของครูบาสีวิชัยก็เสร็จสิ้นลงผลของการสอบสวนเป็นอย่างไรผมขออัญเชิญหนังสือของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจินวรรณสิริวัฒน์เจ้าคณะ ซึ่งเป็นองค์ประธานในการไต่สวนครูบาสีวิชัยทรงมีรายงานถึงสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวรุรดดังสำเนาวต่อไปนี้ด้วยมีคำสั่ง เป็นเหตุระแวงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็น พระม่อมทั้งหลายจึงได้พิจารณาถึงการ 1 ตั้งตัวเป็นไม 2 ไม่อยู่ 3 เจ้า เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบสงฆ์และทาง 4 ทางราชการป่าวร้องให้วัดทั้งหลายตามประติพีตีคล้องกลองใน 5 เจ้าคณะแขวง เพราะเอาอย่างพระศรีวิชัยจึงร้องต่อพระครูและข้อ 1 ถึงข้อ 5 พระศรีวิชัยได้ อยู่เมืองลําพูนเป็นอันไม่ต้องพิจารณาข้อที่ 6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการขอสํารวจสมณโครัวพระศรีวิชัยไม่ยอมให้สํารวจ 3 คำแส kidnapped zufranitar sindigteam, jezti解kan 빼vิcha in special life of whether they chọn persons wholessly mute themес a bit late, yep, the card says drugg fashioned object Clone and pussy is the one that exists for the boy is a place where he is the cupp purse, patent by Brighavage or Prath if one who has the guarantee just is so the person who takes control of him at least พระอธิการไปเอาอย่าง 8 ลือกันว่าพระศรีวิชัยมีบุญเช่นมีดาบฝักทอง โดนตากฝนแล้วไม่เปียกถ้าพระศรีวิชัยจะ เมื่อมีคนเล่าลือกันใบเองมีเกิดจากเธอไม่ถูกต้องลือกันไปเอง 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ได้ความว่าพระศรีวิชัยไม่มี นี่คือหนังสือสรุปผลการไต่ เพื่อเป็นการตัดสินไต่สวนคดีของครูบาสีวิชัยซึ่งมีสำเนาพระดํารัสดังนี้พระดํารัสสั่งฆมวิริชัย คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อหา 5 บวชกุลบุตรโดยแรงเกินควรไปมีใบอนุญาต แต่ถ้าเป็นคำสั่งของเราการลงโทษจัก ขอให้เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นพระเป็นผู้บอกนัดพระศรีวิชัยถ้าข้อ 4 ทาง ตามประติบัติตีครองกรองในพระราชพิธีราชา บังคับประชาชนให้จัดงานฉลองไม่เป็นพระเกียรติยศกันเจ้าคณะจะเอาโทษก็ควร ไม่เป็นหลักฐานคนทั้งหลายจึงเห็นว่าคมเหงพระอัน ยังไม่ได้ทําการจัดว่าเป็นความผิดทาง ก็ได้เคยมีมาแล้วได้ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 คณะกรรมการควรวินิจฉัยว่าพระศรีวิชัยไม่ถ้า จงถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งเป็นไปตามเดิมครับเราจะ และทรง 21 พฤษภาคมปี 2463 จนกระทั่งคณะกรรมการไต่สวนเสร็จเรียบกรกฎาคม 2463 ครูบาสีวิชัยจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสัมมาอนาจารย์กรมภริยาวชิรยานวโรรสทรงมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวพระราชหัตถเลขา ได้ไต่สวนเห็นว่าเป็นพระที่อ่อนธรรมวินัยแต่มีสมณะสัญญาอย่างพระที่ห่างเหินจากหมายไม่ประกาศทําตาม คืออุปชาของเธออุปัชฌาย์ของเธอชื่อขติยะเมื่อจะถึงมรณภาพได้ตั้งเธอปกครองวัดและบริษัทแทน ความปรารถนาของครูจะหาที่อยู่ต่อไปได้สิวิชัยใคร่จะกลับไปอยู่ ถ้าพระแต่ว่าไม่รู้ระเบียบแบบแผนจะไปอยู่วัดบ้านปางก็ พระศรีวิชัยก็จะมีความผิดอีกถ้าพระศรีวิชัยบอกว่าเจ้าคณะลำพูนปรารถนาจะให้พระศรีวิชัยอยู่ศึกษาให้ได้รับความรู้ 43 ปีแล้ว เธอจงส่งพระศรีวิชัยกลับขึ้นไปก่อนมนษาจงมอบให้ผู้ครอง ค่าใช้จ่ายในการส่งพระศรีวิชัยกลับจงแจ้งต่อพระญาณนวราภรณ์ให้จ่ายเงินส่วนตัวของฉันเป็นอันสรุป เมื่อพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์นำความนี้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินภิกษุบ้านนอกจากวัดบ้านปางเป 21 กรกฎาคม 2463 คืนวัน ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงมีชาวเหนือจํานวนมากมาส่งท่านที่สถานีมีความศรัทธาในตัวครูบาศรีวิชัยมากแค่ไหนท่านไป ในทรณทีที่ย้ hoe mitito de vigiless หย 2 ถึง2เดือน4วัน นักแต่วันที่ครูคุบาจากลำภูนขึ้นรถไฟไปกรุงเทพ เป็นการเริ่มต้นจังหวะชีวิตใหม่ที่พิสดารเหลือล้ำจนกระทั่งท่านได้รับฉายานามจากชาวเหนือทั้งปวงว่านักบุญแห่งล้านนาไทยการกลับคืนมาคราวนี้ครูบาศรีวิชัยได้เปลี่ยนแนววิถีชีวิตของท่านใหม่คือในภาคเหนือเพื่องานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งท่านใช้เวลาตลอดชีวิตหลังจากนี้ท่านใช้เวลาตลอดชีวิตหลังจากนี้ เจ้าคณะอำเภอลี้เจ้าคณะอำเภอลี้ประหลาด และคารวะเจ้าคณะและรองเจ้าคณะจังหวัดลําพูนอันสร้างความปลื้มปิติ เมืองลำพูนก็ตามแต่ครูบาท่านไม่ได้มีจิต อยู่ก่อนที่จะไปกรุงเทพฯนั่นเองใครที่มีเรื่องเกี่ยวพันมาถึงตัวท่านครูบาท่านจะเที่ยวไปทําความเคารพจนทั่วถึงประชา กุบานั้นท่านก็รู้ว่าการกระทําบางอย่างของท่านเป็นความผิดที่ขัดต่อลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ที่ท่านได้ ซึ่งเป็นไปได้ยากสําหรับพระภิกษุ ในระยะหลังที่ครูบา 2463 แล้วท่านได้เดิน เพื่อนำไปถูลแด่สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรดรองค์สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระผู้ทรงสมณศักดิ์องค์อื่นๆเช่นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจินวรศิริวัฒน์เจ้าคณะใหญ่หนกลางพระธรรมวโรดมพระญาณวราภรณ์และพระธรรมตรีโลกาจารย์เป็นต้นครูบาสีวิชัยได้เดินทางกลับลําพูนเมื่อเดือนยี่เหนือ คือเดือน 12 ปี พ.ศ. 2463 นั่นเองคราวนี้ท่านไม่ได้เดินทางกลับไปสู่วัด เมื่อครูบามาพำนักอยู่ที่นี่วัดเชียงยันต์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปท่านนําความไป นับเป็นวัดที่ 2 ที่ท่านบูรณะชาวบ้านจํานวนมากจาก โดยที่ท่านไม่ได้ไปบังคับกักเกณฑ์ 3 เดือนต่อมาวัดเชียงยันที่แทบจะเขียวขจี จึงกระสังวัดพระธาตุทารีบุญชัยที่อยู่ติดๆกันมองไปถนัดใจความ นั่งหนักในวิหารบุรณะพระธาตุม่อนไก่แจ้อันเป็นปูชนียสถานสําคัญของ ชาวเมืองห้างฉัดเล่ากันสืบมาว่าได้จึง ถ้าหากเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลท่านบอกชาวเมืองห้างฉัตรว่าขอให้ไปขอ ต้องมีเทวดามาช่วยจึงจะสําเร็จได้นี่คือหลัก ก็เดินทางกลับมาหาครูบาที่วัดเชียงยันต์เมืองลำพูนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เองครูบา 464 การบูรณะพระธาตุม่อนไก่แจ้จังหวัด องค์พระธาตุที่ปลักหักพังยอดหักกลิ้งลงมาอยู่กับพื้นได้รับการบูรณะขึ้น ไม่ว่าพระเจดีย์เพราะสถานที่เหล่านั้นวัดจามเทวีลําพูนหรือ แล้วครูบาสีวิชัยก็คืนกลับสู่วัดเชียงยัน ติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์ 0846438770 ครับ 0846438770 ครครได้บูรณะหลังจากที่ และคราวนี้เองที่ท่านได้ฝากผลงานอันยิ่งใหญ่อีกชิ้นหนึ่งไว้แก่นครหาริปุญชัยนั่นก็คือท่านเป็นประธานนั่งหนักในการบูรณะวัดพระธาตุหาริปุญชัยทั้งวัดรวมทั้งองค์พระธาตุอันเป็นภูจารีสถานสำคัญ บัดนี้โอกาสเป็นของท่านแล้วท่านจะบูรณะวัดพระธาตุภฤชัยให้เจริญรุ่งเรืองงดงามสม นับเป็นพระมหาเจดีย์สถานที่สําคัญ 1 ใน 7 แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งสัตตะ 7 แห่งนี้เป็นปูชนียสถานอันเคยเป็น นำไปบูชาณปูชนียสถานสําคัญสําคัญแห่ง 7 แห่งในราชอาณาจักรไทยก็มี 1 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นปูชนียสถานเก่าแก่สืบเนื่อง ตํามหาธาตุสวรรคโลกอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 7 แห่งนี้มีมาแต่กล่าว ที่จะช่วยเสริม 2463 นี้เมื่อประมาณปี 2458 ได้เกิดพายุใหญ่ สถานที่ของวัดพระธาตุหริปุญชัยในสมัยก่อนที่ ตัวท่านเองไม่มีเงินทองจะนํามาบูรณะเจ้าคณะเมืองลําพูนก็อนุญาตให้ครูบาสีวิชัยจึง ครั้งนั้นครูบาศรีวิชัยจำนรรจาอยู่ที่วัดเชียง บาเพียงใบเดียวของครูบาศรีวิชัยเล็กเกินไป 100 คนครูบาต้องตั้งโรงครัวหุง นี่คือสิ่งพิสุทธิ์บารมีของครูบาโดยแท้พระ ก็ได้แก่การบูรณะองค์พระธาตุและพระวิหารกันเป็นการทํางานของผู้ที่ เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่ช่วยส่ง บูรณะไปตาม 6 ขึ้น 6 ค่ําปี 2463 สิ้นงบ 322,500 รูปีเงินรูปีสมัยนั้น 1 รูปี 85 สตางค์จึง รวมประมาณ 270,000 บาทเงินเกือบ 300,000 บาทในสมัยนั้นคิดเป็นค่าของเงินสมัยนี้มากแค่ไหน คือนางอุสาได้ถึงแก่ตําเมื่ออายุ 70 ปีชีวิตในบ้านปลายของโยมอุสา แต่ชาติปางก่อนไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงได้จะ กลับหนาแน่นด้วยอุบาสกอุบาสิกาอีกครั้ง เหมือนดวงจันทร์ที่โผล่พ้นจากหมู่เมฆ มีชาวบ้านอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เดินบุกป่าฝ่า ที่เมืองฮอดทันทีอำเภอนี้และอำเภอฮอด 2 อำเภอนี้มีอนาคเขตติดกันถ้าหากมองในแผนที่เราจะเห็นว่าอยู่ ครั้งนั้นบริเวณเชิงดอยแห่งนี้มีพญาผู้หนึ่งมีนามว่า ทรงมอบพระเกศาธาตุให้พระญาว่าในการภายหน้าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วพระบรมสารีริกธาตุองค์หนึ่งจะมาประดิษฐานอยู่ณยอดดอยแห่งนี้อัน เมื่อบริเวณนี้กลายเป็นที่ตั้งชุมนุมใหญ่ของนักล่อง ชาวบ้านท่าเดื่อจึงพร้อมใจกันไป ประชาชนในเขตอำเภอฮอดก็หลั่งไหลมาช่วยบูรณะพระธาตุกันมากมายคนที่มีฐานะดีก็บริจาคเงินช่วยคนจนที่ไม่มีเงินแต่มีศรัทธาเปี่ยมล้นในหัวใจก็สละแรงกายเข้าช่วยเพียง 2 เดือนให้หลังพระธาตุดอยเกื้องก็สง่างามดังเดิมการบูรณะพระธาตุดอยเกื้องอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ 13,300 กว่าบาทซึ่งเป็นเงินในสมัยนั้น เป็นวันที่มีคนบริจาคทั้งสิ้นชาวบ้านท่าเดื่อเมืองฮอดได้ 1 เปคืนตามคํานิมนต์ของชาวบ้านดอยเต่า ปัจจุบันนี้จมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนภูมิพลเสียแล้ว ครูบาได้มาแวะแสดงพระธรรมเทศนาให้ชาวบ้านเช่นบูรณะ วิหารพระละโววิหารพระเจ้าทันใจวิหารพระมหากัจจยนะกุฏิครูบาคันธะยิ่งนานวันขึ้นชื่อเสียง ท่านได้เดินทางไปบูรณวัดและปูชนียสถานในล้าน จากวัดรางให้กลับมาเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงสมัยของของเมืองลําพูนอีกแห่งหนึ่งเป็น และพระอานนท์พุทธอนุชาพร้อมด้วยพระอรหันต์จํานวน ผาลาดสถานที่ตากผ้าจีวรนั้นก็ปรากฏเป็นรอยยักษ์เหมือนกับรูปจีวรเป็น นอกจากรอยพระพุทธบาทแล้วยังมีรอย 7 ขวบและรอยเท้าโยคีอีกรอยนึง 7 ขวบนั้นตำนานเล่าว่าเป็นกุมารที่มีฤทธิ์ 7 ขวบต่อมาได้พบ 7 ขวบเท่านั้นของรอยพระ ท่านจะเห็นว่าบรรดาปูชนียสถานโบราณสถานต่างๆในล้านนาไทยนั้นมักจะมีตำนานเก่าแก่ว่าเป็นเรื่องที่สําหรับวัด 1000 น탄 ไทยคราว boundaries ทรา แต่เนื่องจากในสมัยนั้นสถานที่ตั้งวัตรพระพุทบาทตากภ้าอยู่กลางป่ากลางดงยาจแก่การไปมาหาสู่กับเมืองลำพูญวัตรแห่งนี้จึงรุ่งเรืองและร่วงโรยตามการสมัยจนถึงเมื่อครั้งพ่อขุณเมืองรายมหาราศสามารถตีเมืองหริภู Rabbi เวลานั้นท่านพระครูปุติวงศ์ธาดาเจ้าคณะ จึงปรึกษากันว่าควรจะหาทางบูรณะวัดนี้ให้เจริญ มีนั้นครูบาสีวิชัยจำมันสาอยู่ที่วัดบ้านปางอำเภอลี้เมื่อท่านได้ทราบความปรารถนาของเจ้าคณะแล้วก็รับปากที่จะช่วยเหลือบูรณะวัดพระพุทธบาทตากผ้าขึ้นใหม่แต่ขอเวลาอธิษฐานเสียก่อนครูบาสีวิชัย ท่านได้เดินทางจากวัดบ้าน งานบูรณะวัดพระพุทธบาทาผ้านั้นเริ่มจากการถางป่าในบริเวณนั้นให้ปรับนาไทยอันงดงามราวกับจําลองปราสาทแห่งสรวงสวรรค์ลงมา วัดนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์มาจํามรรษาเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนกระทั่งถึงการปัจจุบัน 2486 หลังจากที่สังวร หรือที่ชาวตั้งแต่ปี 2491 ครูบาพรมาท่านเป็นชาวลําพูนเช่นเดียวกับครูบาศรีวิชัยเกิดที่ตําบลแม่แรงอําเภอ 20 ปีท่าน แล้วก็ไม่เคยลาสิกขาบทเลยเป็นที่ 2466 ระยะ สมัยนั้นจากเชียงใหม่ไปสู่พะเยาต้องเดินป่าตัดออกทาง เพราะว่าท่านได้รับปากกับชาวพะเยาและเมืองและพระธาตุหลายแห่งท่านจําเป็นจะต้องทําให้สําเร็จเสียก่อนแล้วถึง ซึ่งยังเป็นวัดร้างโดยทันทีไม่วิหารศาลาก็ ส่วนใหญ่จะต้องลงมือสร้างกันขึ้นใหม่ใหญ่จะต้องลงมือสร้างกันขึ้นนั้นถ้าหากว่า ซึ่งศรัทธาจากคนต่างๆจะพากันมาอย่างหนาแน่นขนาดของวิหารจึง ในการที่จะบุรนะขอสร้างวัตรผสิงขึ้นใหม่ถึงแม้ว่าแทบทันที Agenda ー191 เคียงใหม่บันดาสารุศิบเก่าแก้ ภูชนียสถานต่างๆว่าจะต้องขอลองอธิษฐานดูก่อนถ้า ในทรงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านบาทสมเด็จพระงานก็เริ่มขึ้นเมื่อปี 2467 นั่นเองเอง ต้นไม้ใหญ่ต้นไหนที่ไม่กีด ในที่สุดงานถางต้นไม้ต้น โดยไม่ต้องมีการไปเปล่า 400 รูปีซึ่งก็ไม่ เจ้าจักคําขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนคร แต่งานจะหยุดชงัดอยู่กับที่ไม่ได้งานจะหยุดชะงักอยู่กับที่ไม่ได้ รูปภาษีวิชานั่งๆกันนั้นว่าเวลานี้เงินทองที่จะบูรณะก่อสร้างพระวิหารๆวันมิถุนายนปี 2467 งานบุรณะวัดพระสิงกำลังอยู่ในขั้นทีคนงานช่วยกันขุดเพื่อวางรากฐานหลังใหม่มีผู้คนขณะสัทธาเป็นร้อยคนช่วยกันทำงานนี้อย่างไม่เห็นแกะในแกะเหนื่อหรือว่าอามิทธ์สินจ่างกรูบาควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดในถามกลางวงล้อมของ เวลานี้เงินทองที่จะนํามาบูรณะวัดพระสิงห์นั้น คนงานได้ขุดพบหม้อบรรจุแผ่นทองคำเนื้อบริสุทธิ์ถึง 477 แผ่นนับเป็นน้ำหนักทองคำถึง 360 บาทกับเศษอีก 1 สลึง ว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแล้วก็เกิดเสียงพูดกันอื้ออึงว่าเทวดาเอาเงินทอง ตั้งแต่ปี 1888 นั่นเองเองครูบาปลื้มปิติเหลือเกินที่ได้พบสมบัติ อันจะเป็นการทําลายคุณค่าของปูชนียสถาน ในสมัยพ่อท้าวผาอยู่เป็นกษัตริย์ครองนคร เพื่ออุทิศบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วก็ โดยให้ช่างเงินชาวเชียงใหม่ตีแผงเงิน 477 แผ่นแล้วจะรึก คราวนี้ก็สามารถที่จะนําแผ่น แล้วก็พากันเชื่อสนิทใจว่าครูบาสีวิชัยนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นตนหลัง ก็มีผู้คนมาหาท่านเพิ่มมากขึ้นทั้งนําปัจจัยมาร่วมบริจาค ท่านต้องนั่งเหมื่อยขบอยู่อย่างนั้นให้ศีลให้พรอนุโมทนาในส่วนกุศลตลอดเวลา เมื่อมีเงินพร้อมมีเงินพร้อมการบูรณะวัด 5 วันต่อเม 28 มิถุนายน พ.ศ. 2467 คนงพพพอง 3 องค์พระพิมพ์ 37 อง. บรรจุอยู่ในบาทเก่าแบบลังกาชาวเชียงใหม่ต่างก็พากันมานมัสการพระพุทธรูป ก็ร่วมบริจาค 1595 รูปีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบาตรศาลาฐานและพระอุโบสถซึ่งงานปีเสร็จ 2469 วัดพระสิงห์หรือวัดเชียงลีพระอันเป็น ซึ่งเพิ่ง 25 พฤศจิกายน 2468 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรง จัดขบวนช้างชนิดไม่เคยมีมาก่อนในนครเชียงใหม่ขบวนพยุหาญาตราสะโถละ แลสมเด็จพระบรมราชินีอย่างใกล้ชิดใน งานฉลองวัดพระสิงห์ผ่านพ้นไปแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่างานบูรณะวัดพระสิงห์จะเสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้เพราะวัดพระสิงห์นั้นมีบริเวณอันกว้างใหญ่เสนาสนะเดิมหักพัง ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในแผ่นทองคํานั้นเล่าไว้ 2469 นั่นเอง เคยปรารถนาที่จะสร้างหอประไตรปิฎกขึ้นทางด้านเหนือของพระวิหารจึงให้คนงานถากถาง คือมีพระอบ 3 ชั้นเงินและทองคําอยู่ในสุดเมื่อเปิดพระอบทองก็ได้พบพระอัฐิซึ่งผุกร่อนยังขุด ซึ่งล้วนแต่ทําด้วยทองคําประดับ ภูษาศรีวิชัยได้มอบให้แก่ทางจังหวัดนํา พร้อมด้วยเครื่องราชูปโภคล้ําค่าเหล่านี้ได้อันตรายฐาน และสร้างจากเมืองปายมาสู่บ้านที่ทํางานชั่วคราว ตลอดระยะเวลาสงครามไม่มีใครคิดถึงแต่เมื่อมีการย้ายที่ทำ ก็คงยังอยู่ครบมาจน 2467 จนล่วงเข้าต้น 2471 เป็น 3 ปี 4 ปีงานบูรณะวัด 74,000 รูปีนับเป็นค่า จากวัดร้างที่รกด้วยป่าหญ้าจนกลายเป็นพระๆเพื่องานบูรณะสร้างสรรค์ เมื่อตอนที่พระครูบาเจ้าได้รับนิมนต์ ท่านออกจากกุฏิเมืองลําพูนเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองพะเยารูปสามเณร 30 ติดตามไปช่วยหาบสิ่งของเครื่องใช้ 30 คนส่วนครูบาเจ้านั้นนั่งบนเสลี่ยงคานหามซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นขบวนของนักจาริกแสวงบุญครั้งสําคัญ ดังนั้นเมื่อขบวนของท่านดําเนินไปราชวัตรคือรั้วระยะๆมีฉัตรปักไว้ที่หัวท้ายแผงปักต้นกล้วย ตรงผ้าขาวผ้าแดงบ้างก็ปูเสื่อสาดๆอย่างอุ่นหนาฝา ถึงขนาดบางคนยินยอมนอนคว่ําเพื่อให้พระครูบาเจ้าได้เดินไป พอไปถึงปรำที่ได้จัดเตรียมไว้ จนเมื่อไปถึงอีกหมู่บ้านนึงก็ จากการบันทึกการเดินทางของคณะซึ่งแสดงอยู่ในหนังสือประวัติของ 1 คืนถึงบ้าน 1 คืนถึง ถึงหมู่บ้านต้าวบุญเรืองรับนิมนต์พัก 1 คืนถึง 4 คืนจน 3 ขึ้น 9 ค่ําออกจากตีนดอยสะเก็ดไปถึงห้วย การเดินทางต่อไปผ่านป่า 70 แทบจากนั้นบรรดากะเหรี่ยง ในระหว่างทางนั้นจะต้องเดินไปตามป่าช้างทางเสือบางตอนก็ขึ้น พวกศรัทธาชาวบ้านก็พากัน 2 ข้างทางก็จุดๆตกแต่งด้วยดอก แล้วก็ยังมีผู้ศรัทธาเข้ามา 21 รูปด้วยต่อจากนั้นวันรุ่ง จากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง 50 รูปอยู่ ซึ่งต่างก็มีความยินดีร่วมทําบุญใส่บาตรถวายจตุปัจจัยไทยทานเสร็จจากนั้นก็เดินทางต่อไปถึงเขตอําเภอพานเวลานั้นขุนสวัสดิ์บํารุงพ่อเมืองพานซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสพระครูบาอย่างแรงกล้าได้ ต่างได้พร้อมใจกันมาร่วม 18 รูป 2 รูปเดือน 4 ขึ้น 4 ค่ำจึงไป 4 เหนือครึ่งก้าว นี่คือบันทึกการเดินทางของขบวนนักบุญ ขบวนนักบุญด้วยการเดินเท้าผ่านหมู่บ้านมากมายพระครู จึงซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานเกือบสองเดินทีเดียวสู่จุดหมายซึ่งนับว่าเป็น ต่างถือขันธ์ข้าวตอกดอกไม้ธูป โดยคนนึงได้น้อมนํามาซึ่งต้นข้าวที่พิเศษคือต้นมีรวงถึง 7 รวงปกติข้าว 1 ต้นมีรวงเพียงรวงเดียวเอาสายพันธุ์ดอกไม้มาอีกคนนึงนําดอกบัวหลวงซึ่งก้านเดียวมีดอกถึง 7 ดอกโดยขนาดแต่ละ เกิดที่กลางขวานพะเยานําสายพานข้าวตอกทุกเทียนมาถวายพระครูบาเจ้าจึงนับว่าเป็นนิมิตอันดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานที่ นับว่าเป็นการอันใหญ่หลวงกลัวว่า นายคําพิรุตซึ่งเป็นคนบ้านห้วยกามจังหวัดลําพูน จึงได้ขอนิมนต์ให้ท่านกลับ ร่วมสร้างพระวิหารสาลาคตสร้างและบูรณะวัดพระเจ้าตนหลวงสร้างพระวิหาร ปี 2466 ได้โดยมีพระภิกษุ 16 รูปนำอิฐปิดทองที่เตรียมไว้ และภิกษุสุภาเป็นผู้ควบคุมดูแลแลแล 18 ต้นเป็นค่าจ้างประมาณ 9,900 บาทในสมัย โดยมีนายน้อยวงเปี้ยเป็นหัวหน้าช่างแต่ในระหว่าง ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดเช่นเดียวกัน 3 ดอกสืบต่อกันขึ้นข้างบนซึ่งคล้ายกับของเทวดาเจ้าที่รักษาพระพุทธศาสนา ใช้เวลาเพียงปีเสร็จก็สําเร็จเสร็จเหนือหลังจากการบูรณะ ต่อจากนั้นท่านจึงได้กลับสุนทรคฤหบดีมีความเห็น สมควรที่จะได้รับการปฏิสังขรเสีย เมื่อปีปี 2459 พระราชญาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จประพาส ตั้งอยู่ในชัยภูมิอันงด ปรากฏว่าเจ้าเพียงแต่ไปถากบริเวณวัดให้สะอาดนวรัตน์เจ้า วัดสวนดอกจึงเป็นวัดในราชตระกูลณเชียงใหม่สืบมาจนกระทั่ง วิหารนี้ก็จะไม่มีนี้ก็จะไม่มีครูบานักบุญแห่ง พอเห็นว่าเป็นพระอารามอันสําคัญยิ่งโดยเฉพาะเป็นที่แล้ว ทรงมีพระศรัทธาที่จะทรงโปรดบริจาคทรัพย์จํานวน 500 บาทเป็นทุนในการเริ่มบูรณะวัดแห่งนี้เงินนั้นไม่ใช่เงินจํานวนน้อยได้ครู เหมือนการบูรณะวัดพระสิงห์ที่ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นอิฐหรือปูนเจ๊งโงมีขาย ซึ่งนับตั้งแต่เจ๊กหงอได้ขับรถยนต์ ถูกคนลอบยิงอาการสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวในมากเพราะถูกยิงจากหน้าอก ท่านเอื้องไปนิดนึงแล้วก็บอกกับทายกทายิกาบอกว่าเจ้าโหไม่เป็นไรหรอกอีกไม่นานก็กลับมาทํางานกับพวกเราได้แล้วก็จริงๆเพราะแม้แต่ญาติของเฒ่าแก่โหเองก็นึกไม่ถึงว่าจะรอดตายจากบาดแผลชะกรรนั้นมาได้งานปอยหลวงฉลอง ถึง 7 วัน 7 คืนจนกระทั่งพระวิหารหลวงใหญ่ใหญ่ที่ 10 ล้านบาทก็สร้างไม่ได้งานของครูบาสีวิชัยนั้นใหญ่ที่สุดในชีวิต นั่นก็คือการสร้างถนนผ่านป่าเขา สู่นครพิงในสมัยพระเจ้ากือนาวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 5 ศตวรรษอยู่บนขุนว่าจะเป็นในสมัยเมื่อ หรือในสมัยต่อมาก็ตามประชาชนคนเมือง และนับว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ ปูชนียสถานเก่าแก่ใดๆในนครแห่งนี้ ซึ่งทรงครองนครเชียงใหม่ทรงครองนครเชียงใหม่ระหว่างปี 1910 ถึง 1931 นั้นได้ทรงอาราธนาพระมหาสุมณะเถระ ในการเดินทางนั้นท่านได้อันเฉินพระบร เพื่ออันเฉินพระบร可能สารีริกธาสไปประดิศส์lares สร้างเป็นพระอารามสำคัญญหkee น์ค bunsเชียงใหม่ เพื่อจะให้ชาวเมืองได้บูชาสกระ र ท่านแนะนําว่าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเหนือช้างมงคลของพระองค์ แล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณสัปปคัพทองคําเหนือช้างสําคัญแล้วปรากฏว่า 3 ครั้งด้วย และเสนาอำมาตย์เดินตามเป็น 13 ปีในคุ้มหลวง จนกระทั่งถึงบริเวณผาลาดในปัจจุบันช้างมงคลก็หยุดอยู่กับที่ชั่ว แต่ปรากฏว่าช้างมงคลไม่ได้อยู่ที่นี่คงเดินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป เสียงดุริยางค์ก็ประโคมขึ้นณจุดที่ เรียกชื่อดอยหรือว่าขุนเขานี้แตกต่างเช่นดอยกาละอันหมายถึงขุนเขาที่ ส่วนชื่อดอยสุเทพนั้นได้มาจากนามพระฤาษีวาสุเทพซึ่งตามตำนานเล่าว่าท่านเป็นสหายสนิทกับพระสุกกทันตฤาษีแห่งเขาสมอคอนเมืองลพบุรี แล้วก็ไปอัญเชิญดังนั้นนางจามเทวีธิดากษัตริย์เมืองละโวมาครอง ทรงทํานุบํารุงในราชวงเมงรายพระบรมธาตุดอยสุเทพ องค์พระสถูปใหญ่ที่สร้างครอบพระบรมสารีริกธาตุนั้นให้สร้างเสริมขึ้นใหม่ฐาน ในปี 2100 สมัยพระมหายานมงคลเป็นเจ้าอาวาส 7 เสียนขึ้นสู่ 60 วาทอดยาวขึ้นไป ได้สร้างพระธาตุ 2477 เนี่ย 550 ปีไม่ว่าผู้เจ้าจะครองแม่เลี้ยงหรือยาจกเห็นใจคน จะขึ้นไปไหว้พระธาตุครั้งๆหนึ่งก็ต้องใช้เวลากันเป็นวันๆ คติความเชื่อที่ว่าปูชนียสถานแห่งไหน สำหรับพระธาตุดอยสุเทพแม้ว่าปัจจุบันจะมีถนนลาดยาง มองเห็นแสงสว่างระยิบระยับท่ามกลางความมืดเป็นขบวนยาวขึ้นสู่ดอยสุเทพอัน คือผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อปี 2477 ซึ่งนับเป็นผลงาน ระยะเวลาแค่นี้กับการสร้างถนน 10 กว่ากิโลเมตรในสมัยที่ยังไม่มีเครื่อง ครูบาสีพิชัยได้พิสูจน์ จนถึงเชิงดอยสุเทพตามแนวถนนสายปัจจุบันแล้วดอยก็ 5 ชั่วโมงเต็มในการเดินเท้าขึ้นเขาคนๆเลยความกิตติยา 2460 แล้ว พระองค์เจ้าบวรเดชอุปรานมนทนพยับก็มีความกิตติยาสร้างสนุนขึ้นดอย ก็ได้ปรึกษาหารือกับครูบาธึมเจ้าอาวาสวัดแสนฝางวัดแสน เป็นภิกษุที่มีผู้เคารพนับถือกันมากแล้วก็สนิทสนมกับครูบา จากเชิงสุเทพขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุจะสูงประมาณ 1,053 เมตรหลวงสีประกาศก็ไปพบครูบาศรีวิชัยตอนพักอยู่ที่วัดภสิงห์ดูแลการก่อสร้างเมื่อครูได้ทราบความโดยตลอดจากหลวงสีประกาศท่านก็บอกว่าเดี๋ยว พอครบกําหนดหลวงสีประกาศก็ไปหาครูบาที่ กลับไม่เห็นด้วยเพราะไอ้การจะสร้างถนนขึ้นไปจนถึงวัดน่ะไม่ใช่ก็ไม่มี ไปเป็นครั้งที่สามเป็นครั้งที่ 3 ท่านก็ยังคงยืนยันว่า จะสามารถสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพได้แน่นอนคราวนี้หลวง ข่าวเรื่องที่ครูบาศรีวิชัยจะเป็นประธาน แม้ว่าจะถูกยิงปางตายเมื่อครั้งไป 5,000 แผ่นแจก ข่าวเรื่องครูบา 9 พฤศจิกายนปี 2477 เวลา 10:00 น. ตรงฝ่ายครูบา แต่จะมีเรื่องยุ่งยากเกิด ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองอ่าท่านบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องปี 2477 ท่ามกลางคนเมืองเชียงใหม่และลำพูนเป็นจํานวนมากกับซึ่งทราบข่าวครูบาจะสร้างถนนที่เคารพอีกจํานวนหนึ่ง จากภิกษุสานุศิษย์ของครูบาศรีวิชัยแล้วการสร้าง สาณุศิทธิ์ของครูบาก็จะรับหน้า ด้วยความเป็นห่วงว่าจะสร้างถนนให้ 6 เดือนได้ 6 เดือนแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วผู้ ขุดรากสร้างถนนตามเนื้อที่ของตัวเล่ากันมาว่าผู้ที่มาช่วยเช่นคนของ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พอสร้างเสร็จน้ํามาก็ถูกน้ําห้วยพัดพังทํา งานใหญ่อย่างเนี้ยจะต้องมีเทวดามา ทันแล้วพากันเดินทางมาจากเมืองต่างๆก็เกิดขึ้นเหมือน พร้อมกันนั้นเองชาวเมืองเชียงใหม่และเมืองใกล้เคียงที่เสดงานในท้องไร่ท้อง ครูบากับครูบาเถิ่มก็ 5 วา 10 วาลด 2 วางานสร้าง ประจักษ์ถึงความอย่างนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษหรือใหญ่ๆของท่าน คือระยะเวลาที่ครูบาสร้างถนน 10 กว่ากิโลเมตรการสร้าง และอุปสรรคต่างๆที่มีแต่แรกก็ดูๆนั้น เป็นที่วิตกกันว่าจะไม่สามารถหาครูบาศรีวิชัยว่าจะทํายังไงดีครูบาท่านบอกว่าอย่า ต่างก็นําข้าวปลาอาหารและ 5,000 คน ทุกคนก็วันที่ 30 เมษายน 2478 คือวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของนครเชียงใหม่วันประวัติศาสตร์วันหนึ่ง เพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทําพิธีเปิดถนนขึ้นดอยและประทับรถยนต์ขึ้น ตามสภาพถนนที่เป็นถนนดินในครั้งนั้นเจ้าแก้วนวรัตน์เสด็จ คือเสียงของครูบาศรีวิชัยเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินล้านนาที่สามารถ ท่านจะไม่เหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกๆท่าน สำหรับคราวนี้ทําไมท่านถึงขันติแตกเรื่องราวทั้ง แต่ทํา 2 วัดเท่านั้นคือวัดโสดาตรงเชยอ่าเชิงรอยสุเทพวัดโสดาอยู่ 1 ส่วน 2 วาสกิฐาคาเป็น 2 ซึ่งครูบา ครูบาท่านตั้งใจจะสร้างขึ้นที่มั่นพญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนล้านนาซึ่งเป็นผู้ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเหตุผลอีกอย่างนึงในการที่ สาเหตุนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าใน ครูบาท่านก็จัดการบวชลูกหลานของพวกๆที่มีอยู่ พอหาธรรมพิธีบวชโดยภราการ มีปะขาวปีซึ่งเป็นสานุศิษย์คนสําคัญของครูบาตั้งแต่ครั้งท่านยังอยู่วัดบ้านปางแล้วต่อมาเมื่อครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ครั้งแรกถูกนํามาสอบสวนที่เมืองลําพูนคราวนั้นปะขาวปีก็ถูกศึกและคณะสงฆ์ก็มีมติ เพราะรู้สึกจะเป็นโทษประหลาดห้ามไม่ให้ผู้ใดผู้ เมื่อบวชแล้วภิกษุสามเณรทั้งหมดก็อยู่เม 60 วัดขอลา ที่แน่นอนก็คือครูหรือสมณศักดิ์ๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ๆเหล่านั้นกระด้างกระเดื่องตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง แต่เมืองโดยมาขอขึ้นกับครูบาสีวิชัยแทนนั้นก็เมื่อเกิดเรื่องอย่าง ครูบาศรีวิชัย 2478 เวลานั้นครูบาท่านจำพรรษา ข้อ 1 ฝ่าฝืนการปกครองลักษณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ 2 ตั้งตัวเป็นๆเสียเอง 3 ก่อสร้างบูรณะสถาน แต่ท่านปฏิเสธทุกข้อว่าไม่ได้ทําอย่างนั้น เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไประหว่างที่ครูบาศรีวิชัยถูก อิจฉาครูบาสีวิชัยที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่เคารพศรัทธาของคน ชาวเมืองเชียงใหม่และศานุศิษย์จํานวนมาก แล้วในปลายเดือนตุลาคมปี 2478 นั่นเองเองทางธีระสมาคมก็มีหนังสือ 2478 คราวนี้เหมือนกับลูกระเบิดตกใจกลางนคร กล่าวว่าข่าวนี้สร้างความจุลมุนวุ่นวายไปทั่วนคร ทั้งตบไปขึ้นรถไฟที่สถานีเชียงใหม่เข้ากรุงเทพฯตามคําสั่งของเถระ โดยพระยาอนุบาลพยัพกิจข้าหลวงเมืองเชียงใหม่ต้องออกแถลงการ ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปกรุงเทพฯตามคําสั่งของมหาเถระสมาคมออกแถลงการมีใจความสั้นๆนะหลังจากที่ท่านเดินทางไปแล้วไม่กี่วันแถลงการฉบับนี้แทนที่จะทําให้ชาวเชียงใหม่สงบกลับมีทีท่าโมโหอคติสงฆ์เชียงใหม่มากขึ้นดังนั้นหลังจาก เมื่อเหตุการณ์ไม่มีที่ท่าว่า ที่ศรัทธาในครูบาสิวิชัยกับคณะสงฆ์เชียงใหม่อย่างรุนแรงจนถึงกับมีตามนี่เป็นสิ่งที่ๆก็ เหมือนกับชาวเชียงใหม่ได้คิดว่าไม่ควร ครั้งแรกนั้นชื่อเสียงของครูบายัง 3 เดือนเป็นเหตุ ทำไมครูบาสีวิชัยจึงยังๆนานาจนกระทั่งในที่สุดเจ้า เดี๋ยวจะ 1 เดพระ 2 ท่าน 3 พระ ส่วนในจังหวัดอื่นๆคณะสงฆ์จะ 2 จังหวัดนี้ก่อนก็ เมื่อคณะสงฆ์เห็นเหตุ 3 ประการเรียบร้อยแล้ว 1 จะ เช่นจะยื่นบัญชีการสํารวจบัญชีกลางปี 2 การบวชประชาตั้งแล้วให้บวชอุปสมบทเอ่อได้โดยที่วิธีที่คณะสงฆ์ปฏิบัติอยู่ 3 เมื่ออุปสมบทแล้ว 4 งานปฏิสังขรณ์ก่อสร้างสิ่ง จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 5 จะช่วยเหลือในและ แล้วก็อ่าเชื่อฟัง จะพบว่ามีอยู่หลายตอนแลแลแล 2 และ 3 เพราะว่าในระยะนั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์กัน ก็ย่อมมีภิกษุและสามเณรเชื่อถือหันมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมมันมากขึ้น แต่คณะสงฆ์ของเชียงใหม่ๆเพื่อให้ปฏิบัติตามพระเพราะ แลผู้เดียวที่จะสามารถประสานรอยร้าวนั้นได้ก็คือครูบาสิวิชัยๆที่ขอลาๆกว่า 60 วัด ในเชียงใหม่ล่ะลำพูนนี้เป็นเหตุให้มีเจ้าอาวาสหลายวัดว่าไม่ยอม อันนับเป็นเหตุการณ์และสอบสวนที่กรุงเทพที่เช่นพระบาท นะซึ่งพระเนนในวัดทั้งสองนี้ล้วนแต่ จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกมากทีเดียวเช่นว่าปัญหาเรื่องพระอุปัชฌาย์จะ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนี่ขนาดระดับครูบาสิวิชัยแล้วทั้งพระทั้งฆราวาสนี่นับถือกันทั้ง สอบภายหลังจากที่ได้มีการอบรมและสอบสวนกันนานหลายเดือนและอบรมและยอมรับที่จะปฏิบัติตนตามนั้นทุกอย่างบาสีวิชัย ก็อยู่รับเป็นระยะเวลายาวนานถึงเด 6 เดือน 17 วันท่านจึงได้รับอนุญาตให้กลับภาคเหนือได้ๆ18 พฤษภาคม พ.ศ. 1479 คือวันที่ครูบาศรีวิชัยกําหนดจะไปถึงลําพูนแผ่นดินถิ่นเกิดของท่านก่อน อันสําเร็จเรียบร้อยในขั้นแรกแล้วนี่ให้ถาวรยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ ท่านจะไม่เหยียบแผ่นดิน จนท่าน 2 ปีต่อๆแต่ว่าเหมือนหนึ่งปาฏิหาริย์ ไปประดิษฐานๆวันนั้นเป็นวันแรกที่ครู นั่นก็คือเมื่อมีการสร้าง เหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่หากจะนำมาๆเพราะท่านได้กลับไป เมื่อวันที่พระครูบาเจ้ากลับไปสู่จังหวัดลําพูนที่สถานีรถ ด้วยสำนึกว่าเท้าของท่านบริสุทธิ์ จากนั้นจึงพร้อมกับศรัทธาสาธุชนนิมนต์ท่านไปพักที่วัดทะทาทฤบุญชัยแล้ว ครั้งนี้ด้วยมีความประสงค์ที่ซ่อมแซมอารามอันเก่าแก่ซึ่งเคยเจริญ รับท่านไปยังวัดบ้านปางทั้งยังมีพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาติดตามไปส่งท่านจนถึงบ้านปางจํานวนมากมายเมื่อไป สร้างความเหน็ดเหนื่อยและลําบากยิ่งนักเมื่อท่าน จนมีน้ำเต็มสระบนวัดทั้งที่วันนั้นตรงกับเดือน อีกดังนั้นการก่อสร้างต่างๆกําลังคนก็พร้อมเพรียงกันช่วย หลังบุรณะและจัดงานฉลองวัดจมเทวีหรือว่าวัดกู่กุฏเรียบร้อยแล้วพระครูบาเจ้าก็เดินทางกลับไปก่อสร้างวิหารที่วัดบ้านปางต่อแต่ว่าท่านทําไปไม่เท่าไหร่ชาวลําภูลก็พางกันเดินทางมาขอพึ่งบารมีท่านดิผลนี้มาขอรัฒนานิมน์ท่านไปสร้างสะพานใหญ่ข้าแม่น้ําปริงเพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างลําพูลกับเชียงใหม่ตรงอําเภอสัน์ปะตอง ผู้บาดจะมองเห็นประโยชน์ในการสร้างสะพาน วันคืนกําลังจับพรากกําลังกายของท่านไปทุกขณะเนื้อหนังอันเคยเปล่งปรอง แต่สะพานข้ามแม่น้ําปิงนี้ก็จะต้องเสร็จลงอย่างแน่นอน ทุกคนกระทำด้วยความเต็มใจด้วยความเคารพเทิดทูน ดังนั้นการก่อสร้างก็หยุดชะงัก 60 ปีแล้วท่าน ซึ่งการทำบุญครั้งนี้นับว่า ของท่านที่ท่านกล่าวกับหมอคอซึ่งเป็นหมอฝรั่งที่มารักษาอาการอาพาธ ตายแล้วเหลืออะไรไว้ความดีหรือความชั่วนั่นต่าง แม้แต่จะตายก็ยังต้องถูกโรคร้ายคุกคาม เพียงประการเดียวก็จะมีบ้านปลายเป็นอย่างไรอรหันต์ขณะเดียว คือขณะฉันข้าวข้าวก็ไปได้รับทุกข์ทรมานจนมรณภาพอย่างน่า ตอนหลังท่านก็มีวิบากกรรมนิ้วมือนิ้วเท้าเน่าขาด ชีวิตของท่านปรารถนาจะตายที่บ้านปางอำเภอลี้เพราะ ดังนั้นในวันแรม 13 ค่ําเดือนกรกฎาคมปี 2481 ท่านเรียกบรรดาอาสานุศิษย์มาพร้อมหน้ากันแล้ว ให้สืบต่อกันไปสืบต่อกันไปเวลานี้อาการป่วยทําให้สังขารสุดหนักทวีขึ้น และต่างรู้สึกเป็นห่วงท่านเป็น ทำให้ร่างกายอ่อนกำลังลงอีกโดย ดังนั้นจึงได้รวบรวมรถราไปรับท่านท่าน พอรู้แต่ท่านไม่ยอมไปอาพาธของท่านก็พากัน 3 วัน 7 วันท่านก็ไม่ ดังนั้นในวันแรม 5 ค่ำเดือนมกราคม 2481 ท่านจึงขอร้องให้พาท่าน เมื่อไปถึงก็รู้สึกว่าอาการ นำเสลียงหามท่านไปชมรอบบริเวณวัดแล้วออกไปสู่นอกกำแพงโดยก่อนหน้านั้นท่านสั่งให้ปลูก และประสาน 5 ยอดตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เวทนาของเราเดี๋ยวนี้ก็คงไม่แตกต่างอะไรกับกบตัวนั้นถึงยังไงเราก็ปลงตกแล้วไม่ อย่าเอาซากศพของเราไว้ในเขตวัดเป็นอันขาดเพราะเป็นเขตของพระรัตนตรัยอย่าเอาซากศพอันเป็นของ แม้กระทั่งดวงดาวที่เคยส่อง ไม่มีเสียงสัตว์หากินกลางแด่ตนบุญแห่งหลานนาใน ท่านส่งเสียงอิดโรยและอ่อนล้าออกมาพอ ธรรมบารมีโดยในขณะที่ท่านคมโรคาพาดเพื่อสงบจิตฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั้นธรรมจักรโดยในขณะที่ท่าน แต่ว่าได้ถูกขันติที่ท่านพยายามนำมาข่มไว้ด้วยการถอน แล้วร่างของท่านโกนิงไม่ไหวแล 5 นาที 30 วินาทีตรงกับวันอังคารที่ 21 เดือน มี 60 ปี 8 เดือน 10 วันในบรรดาลูกศิษย์ของพระ ยังไม่คืบคลานมาถึงสภาพโดยทั่วไปก็คือป่าดงพรุงไพรโยม เพราะว่าโลกที่มองนั้นเป็นโลกแคบๆที่มีแต่ป่าขาวลําเนาวไพรไม่ฟุ้งเฟ้ออย่างสังคมทุกวันนี้ ถึงวันจันเดือน 7 เหนือปีฉลูเป็นวันมหาสงกรานต์ภาษาจําปีครอบครัวชาวป่าขาดแคลน กับแต่อย่างใดส่งให้แล้วจะเอาไปนั่งกินเดินกิน เมื่อตรากตรำทำงานหนักมากอาหารก็ไม่สู่ก็มีอันต้องล้มป่วยลง เพราะว่าการเดินทางจาก 10 วันในที่สุดก็ 8 ขวบเด็กน้อยในป่าไร้ แต่เพราะต้องอยู่อย่างเดียวดายเพียง 2 คนแม่ เรียนรู้ก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติก็คงมีชีวิตอยู่ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือ อีกประการหนึ่งการบวชนั้นก็เท่ากับเป็น หลวงปู่ได้พิจารณาดูลักษณะของจำปรีย์อย่างอายุ 16 ปีแล้วแต่ยัง เด็กหนุ่มจำปีนั้นสำนึกตัวว่า จำปีก็ไม่ได้นิ่งดูดายมันสังเกตพิจารณาในการช่างเข้าไปช่วย ตั้งมังได้ในการก่อสร้างที่มักจะทําความประหลาดใจให้แก่ช่างๆเป็น 6 พรรษา หลวงปู่ 22 ปีขณะที่ท่านกําลังดําเนินการสร้างกุฏิวัด 35 ปีแล้วมีปลัด ในสมัยนั้นชาวบ้านไม่เคยถูกเกณฑ์ทหารเพราะทะเบียนสมณโครัวยังทํากันไม่เรียบแล้วก็มีอยู่ mm hmm. 18 นั้นตอนนั้นน่ะ มาดำเนินคดีเนี่ยอายุของท่าน 35 ปีแล้วถือว่าท่านพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วศาลจึงให้งดเรื่องนี้ไว้ก่อน จากการเป็นภิกษุแต่ท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้ ท่านอภิชัยขาวปีทนทุกข์ ตอนนั้นคงจะเป็นเพราะชื่อเสียงของครูบาศรีวิชัยโด่งดังในเรื่องของการสร้างวัดแค่ 6 เดือนเดี๋ยว ท่านก็ถามว่าโรงพยาบาลนี้จะต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ถ้าสร้างใน 6 เดือนไม่ทันเมื่อถึงคราวฉลองก็จะมาร่วมด้วยทางจังหวัดก็บอกว่า แล้วก็กำชับให้ปฏิบัติต่อท่านอย่างดีเมื่อท่านไปอยู่บาทเกินบาทแล้วโรงพยาบาล อันที่จริงตอนที่ท่านอยู่ในเรือนจําก็ ท่านเอง 70 วามีประชาชนมาเรียงรายสองข้างทางประชาชนได้ 300 บาทพอซึ่งแสดงว่าบุญนั้นไม่หายไปไหนมันกลับคืนมาแล้วกับเงิน พอเดือน 9 เหนือแรม 4 ค่ำท่านก็ไปร่วมฉลองโรงพยาบาลจากนั้นก็เดินทาง อาจารย์อีกปีนึงจากนั้นก็กราบลาไปสร้างบารมีด้วยการสร้างถาวรวัตถุในทางพระพุทธศาสนาต่อไปท่านเดิน 36 จนถึง 42 ทีนั้นโบสถ์ ยังขาดเงินค่าทองคําเปลวอยู่ 400 แล้ว 300 เป็น 700 บาทโดยกันท่านก็ปรึกษา กำนันก็รับว่าจริงแต่เป็นศรัทธาของ ในการสุขครั้งที่ 2 นี้ขณะที่ท่าน ความมหัศจรรย์ครั้งนี้ทําให้ประชาชนตื่นตันใจพากันหลั่งน้ํา คือปรากฏว่ามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งหน้าตักประมาณ 1 ศอกจมอยู่ใต้ เอาได้สายศิลเล็กๆให้คนดำน้ําๆไม่ต้องออก บ้านร้องอำเภอบ้านโฮ่งชายคนหนึ่งมีความปรารถนาจะเอามะพร้าวอ่อน 1 ทลาย ได้กล่าวคำอนุโมทนาอวยพรตามพิธีของพระเสร็จแล้วท่านก็ อีกเรื่องนึงเกิดขึ้นในขณะกําลังอยู่เช่นปูนซีเมนต์และเหล็กจาก เรียกว่าไปกันเป็นขบวนทีเดียวปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นจํานวนนึงออกมาจากข้าง ที่ตื่นตระหนกก็เพราะไม่ทันรู้ตัวอยู่ๆก็ ที่ไม่ได้สนใจในแนวคําสอนในแนวการปฏิบัติในทางพระ วันนั้นครูบาอภิชัยขาวปีต้องขึ้นไป 1 เมตรก็ อกสั่นขวัญหายด้วยเห็นแน่ชัดว่าหินก้อนนั้นจะต้องกระทบกระแทกร่างของท่านที่บอบบางให้แหลก แล้วปักไม้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้กั้นไว้ข้างหน้าหินพอกลิ้งไปถึงตรงนั้นก็ ว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ฤทธิ์ 3 ครั้งถูก 3 ครั้งวาระสุดท้าย ท่านได้ชื่อว่านักบุญองค์ที่ 2 ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์ 084-643-8770 ครับ 084 ครับ